เธอในอัตถกถาท่านแยกแยกะสิขาแต่ละสิขาในหน้าสองร้อยแปดสิบเจ็ดเนี่ยนะกล่าวว่ากล่าวถึงแยกแยะ อ, อธิศีนอธิจธิตอธิปัญญานะท่านก็ถามว่าศีลเป็นชะไหนอธิศีนเป็นชนะไห น, น, นจิตเป็นชนะไหนอธิจิตเป็นชนะไหนปัญญาเป็นชนะไหนอธิปัญญาเป็นชนะไหนเนี่ยนะอธิบายถึงคําว่าศีนเฉยๆก่อนศีลห้าศีลสิบ น, น, นี่แหละชื่อว่าศีล ที่รียกว่าศีลก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามศีล น, นี้ก็มีอยู่ในโลกนะศีลห้าศีล8นี่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็พระพัิเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีลหศีลแปหรือถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีก็พระเจ้าจักรพรรดิพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะแนะนําให้สมาทานศีลห้าศีล8หรือผู้ที่ เป็นบัณฑิตก็จะสมาทานรักษาศีลห้าศีลแปดได้ด้วยลําพังตนเองเพราะฉะนั้นพวกเขาบําเพ็ญกุศลธรรมคือศีลห้าศีลแปดอย่างนี้แล้วก็จะได้ราชสมบัติในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพันศีลเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ได้สมบัติที่ยิ่งใหญ่พันศีลห้าศีลแปดจึงเรียกว่าเป็นศีลส่วนศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข์เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนชื่อว่าอธิศีลอธิศีลนั้นด้วยยิ่งด้วยสูงสุดด้วยโลกิยาศีลทั้งหมดเนี่ยนะ ปาติโมกขสังวรเนี่ยนะคือศีลของพระพิกสุเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติเนี่ยถือว่าสูงสุดกว่าโลกยีย์ศีลเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะเป็นยอดยิ่งของแสงสว่างทั้งหลายเหมือนเขาสินเนรุเนี่ยนะสูงสุดกว่าภูเขาทั้งหลายแล้วก็ปาติโมกขสังวรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยมีเฉพาะในพุทธบาตรการเนี่ยนะคือมีในพุทธสมัยเท่านั้นข้างนอกพุทธบาทการย่อมไม่มีแล้วก็สัตว์อื่นก็ไม่อาจที่จะบัญญัติปาติโมกขสังวรขึ้นได้ แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นตัดกระแสะแห่งอัจฉาารยานคือความชั่วทางกายทวานวาจีทวานโดยประการทั้งปวงบัญญัติศีลขึ้น น, นะซึ่งสมควรแก่การละเมิดนั้ น, น, นเหมาะสม น, นะนั้นศีลของผู้สำรวมในปาติโมกซึ่งสำปรยุทธ์ ด, ด้วยมรรคผลนั่นแหละเป็นอธิศีลอธิศีลจริงๆอเน้นที่วีรตีที่เกิดพร้อมกับอริยมรรคนะศีลที่เกิดพร้อมกับอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเป็นอธิศีลอย่างจริงๆ เอาแบบสูงสุดเลยนะแต่ข้อปฏิบัติคือวีระตีหรือศีลทั้งหลายที่เป็นเบื้องต้นแห่งอารยมรรคก็ชื่อว่าอี่ศีลด้วยแต่ว่าเอาสูงสุดเลยก็คือวีระตีที่เกิดแต่ขณะอริยมรรคนี่นแหละเป็นอธิศีลทีนี้พูดถึงจิตกับอธิจิตเนี่ยนะกุศลจิตแปดวงที่เป็นมหากุศลและจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมาบัตแปดวงที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะก็ชื่อว่าจิต ก็ความเป็นไปแห่งจิตนั้นด้วยการชักชวนให้สมาทานและการสมาทานด้วยในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นและไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นตามในที่กล่าวแล้วในสีลเพราะฉะนั้นมหากุศล8หรือสมาบัติ8เนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นจิตธรรมดาส่วนจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมาบัตแ8ที่เป็นบาตรของวิปัสนาชื่อว่าอธิจิต น, นะต้องเป็นจิตที่เป็นฐานของวิปัสนานั่นแหละจึงจะเป็นอธิจิต อาธิจิตนั้นยิ่งด้วยสูงสุดด้วยของโลกิยจิตทั้งหลายเหมือนอาิศีนยิ่งด้วยสูงสุดด้วยศีด้วยของศีนทั้งหลายฉะนั้นเพราะฉะนั้นสมถะขอสมาบัตแปดที่เป็นบาตของวิปัสนาเนี่ยนะมีในสมัยพุทธบาตรการเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาสูงสุดเลยมัคจิตและผลจิตนั่นแหละชื่อว่าอาิจิจศีนจิตที่ ก็ร่วมกับมรรคผลน่ะนะจิตนั้นแหะเรียกว่าอธิจิตส่วนปัญญาปัญญาธรรมดาเนี่ยนะที่ไม่ใช่อธิปัญญาก็คือกรรมสกตาปัญญาที่นที่รู้ว่าทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลการต้อนรับเชื้อเชิญมีผลเนี่ยนะปัญญาเหล่านี้เรียกว่าปัญญาปัญญาคือที่เป็นกรรมสกตาญาณเหล่าเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหรือไม่เกิดก็คําสอนว่าด้วยเรื่องกรรมและผลของกรรมก็มีอยู่นะ เพราะฉะนั้นแต่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะก็คือวิปัสนาญาณที่กําหนดไตรลักษณาการก็คือพิจารณาอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยที่พิจารณาโดยอาการ42องนะอันนอนนีจะโตทุกขะโตโรคโตเนี่ยมีในสมัยพุทธกาลเท่านั้นมีในสมัยที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่สมัยที่มีคําสอนพระพุทธเจ้านะที่จะพิจารณาขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีไม่มีรอกเนี่ยนะ เพราะอธิปัญญานั้นจึงชื่อว่ายิ่งด้วยสูงสุดด้วยของโลกิยะปัญญาทั้งหลายเหมื อ, อนอธิศีลและอธิจิตยิ่งด้วยสูงสุดด้วยของศีลและจิตทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะนอกพุทธุบาตการเนี่ยย่อมไม่เป็นไปในโลกที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ยนะแต่เอาสูงสุดก็คือปัญญาที่สัมปยุติกับมรรคผลที่ยิ่งกว่านั้นนั่นแหลชื่อว่าอธิปัญญาสิกขานีนะมัน ในศึกษาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคือในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะนะที่อัตตกถาอธิบายว่าบทว่าอิมิสาทิติยาเป็นต้นพึงทราบความอย่างนี้ว่าในพุทธธรรมวินัยนี้ในพุทธพจน์นี้ในพุทธธรรมหรือนี้พรหมจารย์นี้พุทธศาสนาก็พุทธศาสถุศาสนานี้ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนโคตมี ทิฏฐินี้พุทธขันตินี้พุทธรุจินี้พุทธอาธายะนี้พุทธธรรมนี้พุทธวิัยนี้คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยรวมโดยย่อโดยสรุปนะวิธีเทียบเคียงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่นะบอกว่าเธอพึงรู้ว่าธรรมะใดแลธรรมะเหล่านี้เป็นไปเพื่อมีความกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบไม่เป็นไปเพื่อคลายความประกอบ เป็นไปเพื่อความสะสมไม่เป็นไปเพื่อความปราศจากความสะสมเป็นไปเพื่อความยึดมั่นไม่เป็นไปเพื่อความสละวางเป็นไปเพื่อความมากๆไม่เป็นไปเพื่อความมากน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านไม่เป็นไปเพื่อความตารบความเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ดูก่อนโคตมีเธอพึงทรงจําธรรมะเหล่านั้นโดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตตุศาสตร์คําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมวิธีตรวจสอบง่ายๆนะท่าที่ทําเนี่ยเป็นไปเพื่อความกําหนัดในวัตฏะชื่นชมในวัตฏะหลงอยู่ในวัตฏะอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อกามเนี่ยนะเป็นไปเพื่อกามเป็นไปเพื่อ วัตตะเป็นไปเพื่อพบอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแน่นอนคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อประกอบให้อยู่ในวัตะเพลิดเพลินในวัฏตะเพลิดเพลินในขันห้าอันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อสะสมวัตะเนี่ยนะสะสมกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัฏอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคำสอนที่เป็นไปเพื่อยึดมั่นด้วยกาโมปาทานที่ถูกปาทานศีลพระตูปาทาน่ะพวกนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอง คำสอนใดที่เป็นไปเพื่อมักมากในจีวรในอาหารที่อยู่อาศัยยู่ยารักษาโรคมักมากในบริวารเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคำสอนใดที่ไม่เป็นไปเพื่อสันโดษยินดีตามมีตามได้ยินดีตามกําลังเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคำสอนใดถ้าเป็นไปเพื่อการคลุกคลีขานะด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยการเกี่ยวข้องด้วยการพูดคุยอ่ะไม่เป็นไปเพื่อกายวิเวกเป็นต้นก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า นะหรือว่าเป็นไปเพื่อเกียรติครานเนี่ยนะไม่จเจริญอากุศลนี่จเจริญเอ้าจเจริญเอากุศลลดลงลดลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอีกหรือเป็นไปเพื่อเลี้ยงยากนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นไปเพื่อคลายกําหนัดในวัตฏะไม่ประกอบเอาไว้ในวัตฏะไม่สะสมวัตฏะไม่ยึดถือด้วยอํานาจตันหามานาทิฐิต้องเป็นไปเพื่อสันโดษเนี่ยนะ แล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อความมักน้อยเนี่ยนะเป็นมักน้อยไม่โอ้อวดนะนะมกักไม่โอ้อวดแล้วก็สันโดษแล้วก็ไม่คลุกคลีก็คือเป็นไปเพื่อกายาวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเป็นไปเพื่อความตารบความเพียรทางกายทางจิตเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายอันนี้แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราอเธอจงทรงจําธรรมเหล่านั้นเอาไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นสัตตุศาสตร์คําสอนของภาษาสดาของเรา อีกอย่างหนึ่งคําสอนทั้งสิ้นกล่าวคือไตรสิกขานั่นแหละชื่อว่าทิฏฐิเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นแล้วเพราะเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเพราะทรงมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นไปเพื่อปัญญาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเพราะถ้าผู้ฝักใฝ่ายปัญญาก็คือศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อปัญญาและก็เป็นคําสอนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเนี่ยนะ เป็นประธานเป็นประธานของอะไรเป็นประธานของสัมมาสังกปัปปวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินะอันจึงชื่อว่าขันติเพราะว่าเป็นความควรของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่ารุจิเพราะเป็นความชอบใจของพระพุทธเจ้าอาทายะพระพุทธเจ้าท่านยึดถือยึดถือปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยนะแล้วก็ที่ชื่อว่าธรรมะเพราะทรงคือรักษา ผู้ปฏิบัติตนไม่ให้ตกไปในอบายอันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือใครปฏิบัติตามก็ไม่ทําให้ผู้นั้นตกไปในอบายชื่อว่าวินัยก็เพราะว่ากําจัดฝ่ายกิเลสของธรรมะนั่นแหละเนี่ยนะกำจัดบาปกําจัดอากุศลกําจัดเหตุไปอบายอั้นธรรมะด้วยวินัยด้วยชื่อว่าธรรมะวินยัยอั้นคําว่าธรรมวินัยก็คือกําจัดอากุศลธรรมทั้งหลายด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ อันธรรมวินัยก็คืออธิสีนอธิจิตอธิปัญญานะอีกอย่างหนึ่งคำว่าธรรมวินัยพระอัถวะถะว่านําไปให้วิเศษด้วยไม่ใช่ด้วยอาตยาฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมวินยัยก็บอกว่าถ้าเป็นทางโลกนะวินัยของทางโลกเป็นยังไงคนบางพวกฝึกด้วยท่อนไม้ด้วยขอด้วยแท่อะนะถ้าฝึกช้างฝึกมา้านะก็ใช้ด้วยขอด้วยไม้ด้วยแท่ฝึกมัน แต่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงฝึกผู้ประเสริฐเนี่ยนะมิได้ใช้อาจยาม่ได้ใช้ศาสตราและว่าสําหรับผู้ฝึกโดยธรรมผู้รู้แจ้งอยู่จักขมักขม่นอะไรเนี่ยนะั้นเป็นพระพุทธศาสนาที่ฝึกโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องกดขี่ข่มเหงแต่ว่าเป็นการสั่งสอนประพฤติธปฏิบัติโดยธรรมจ ร, ร, มจริงๆ ธรรมหรือวินัยชื่อว่าธรรมวินัยความจริงธรรมนี้นําไปให้วิเศษซึ่งประโยชน์คือธรรมอันหาโทษไม่ได้ไม่ใช่นําประโยชน์คือพวกขสมบัติในพบเป็นต้นธรรมนั้นจดประสงค์จริงๆเพื่อกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปเพื่อออกจากวะตะแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อสังสมอุปาทานขันท่าเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงประชาชน อ่า น, นะไม่ใช่ให้ประชาชนมานับถือไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาบสการะไม่ใช่เป็นไปเพื่ อ, อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าลทัทธิเจ้าศาสดาเพื่อคอยแก้ลทัทธิต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่พรหมจารย์ที่ประพฤติเนี่ยเป็นไปเพื่อมากน้อยอ่นนะเพื่อสังวรเพื่อประหารนะเพื่อวิราคะอ่นนะเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานนั่นเองหรือที่พระปุณณมันตะนีบุตรกล่าวกับภาษาลีบรว่า ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุบาตาปริ涅槃เนีน่ยนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวินัยเพราะนำไปให้ประเสริฐนำไปให้ประเสริฐโดยธรรมชื่อว่าธรรมวินยัยจริงอยู่ธรรมวินัยนี้ย่อมนำไปสู่นิพพานอันประเสริฐธรรมวินัยคือไตรสิกขาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนำไปสู่นิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่านำไปสู่นิพพานเนี่ย จากที่ไหนก็คือจากสังสารวัตนั่นเองจากขันอายตนาธาต์จากกรรมวิบากและกิเลสหรือออกจากโสกะปริเทวทุกขโ ท, โทมนทและอุปาญาตเนี่ยนะสรุปว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเน้นําออกจากกองทุกขนําออกจากวัตทุกข์อีกอย่างหนึ่งธรรมวินัยพระอรรมวันนาไปให้วิเศษเพื่อทำไม่ใช่เพื่อพวกเจ้าละทิก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเป็นโดยธรรม นำไปให้วิเศษซึ่งธรรมะนั่นแลเนี่ยนะเน้นไปที่โลกุตระธรรมนะนะอีกอย่างหนึ่งเพราะธรรมทั้งหลายนั่นแลเป็นธรรมะควรรู้ยิ่ง น, นะโดยทั่วไปก็คือรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาควรละด้วยปหานะปริญญาควรเจริญควรทําให้แจ้งจึงชื่อว่าธรรมะวินยัยเพราะอถาว่านําไปให้วิเศษในธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะทั้งหลาย กนะ็คือมีแต่สภาวะธรรมแต่สภาวะธรรมทั้งหลายก็บางบางอย่างก็เป็นอภินญญาธรรมบางอย่างก็เป็นปริญญาธรรมประหาตปาปธรรมสัจจิกาตประธรรมและก็ภาเวตปาปธรรมเชื่อว่าปาวจนะพรทธ า, าว่าเป็นประธานของของชนเหล่าอื่นเนี่ยนะะขอไปปาวจนะพรทธ า, าวาเป็นคำํคำคําเป็นประธานโดยคําของชนเหล่าอื่น ด้วยความพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่าพรหมจารย์ก็คือประพฤติประเสริฐชื่อว่าสัตุศาสตร์เพราะเป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาผู้สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือชื่อว่าสัตุศาสตร์พระอัฏฐาว่าเป็นคําสอนของพระศาสดาดังนี้ก็มีจริงอยู่ธรรมวินัยแลเป็นศาสดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พรองตรัสไว้ว่าธรรมวินยัยจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงไปเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ธรรมวินัยเท่านั้นแหละที่จะเป็นศาสดาของเราเนี่ยนะพันถ้าหากว่าทิ้งธรรมวินยัยไม่ปฏิบัติตามธรรมวินยัยไม่ศึกษาไม่เรียนรู้พระธรรมวินยัยก็เท่ากับ ว, ว่าเรานี้ไม่มีศาสดาแล้วเนี่ยนะพันธะธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลังจากที่พระองค์ดับขันปรินิพานก็มีแต่ธรรมวินัยเท่านั้นแหละที่เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในบัดนี้ อในคาถาที่กล่าวไปเนี่ยนะที่บอกว่าเพราะสัตว์สัตว์ผู้เกิดมาเนี่ยนะสัตว์ผู้เกิดมาพึงศึกษาในาศาสนานี่แหละเนี่ยนะผูพ้พึงศึกษ า, าศาสนานี่แหละถามว่าทําไมจะต้องศึกษาในาศาสนานี้เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่น้อยนะักเนี่ยนะ